ภาวนานะต้องรู้ทุกรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้น้มต้องรู้ทุกถ้าภาวนาแล้วน้อมใจให้ว่างๆเหมือนไม่มีตัวมีตนแต่ถ้าเราย้อนกลับมาดูกายดูใจเดี๋ยวตัวตนเกิดใหม่นี่บางคนภาวนาะใจร้อนรู้ทุกเนะีไม่พอเลยนะไปปล่อย ใจว่างๆใจว่างๆพวกเราก็มีนะใจมันว่างมันว่างแบบออกนอ ก, ออ ก, นอกถ้าปล่อยวางจริงน ะ, ะมันจะไม่ไม่เอาจิตไปตั้งไว้ที่หนึ่งที่ใดจะไม่มีที่ตั้งถ้าเอาจิตไปไว้ข้างนอกนะแล้วก็บอกไม่มีกิเลสยังมีข้างนอกมีข้างใน ยามดูลงมาในใกายดูลงมาในใจนะจิตมันเบิกบานดีแต่ว่าถ้าหนีไม่ยอมดูกายดูใจปล่อยใจว่างๆสบายสบายไปเรื่อยไม่เดินปัญญาต่ตอหรอกกันไม่มีปลาลิยะที่ไม่รู้รูปนามในโลกนี้มีอารมณ์อยู่สี่ชนิดอารมณ์ที่หนึ่งเรื่องอารมณ์บัญญัต อันนี้หมาก็รู้แมวก็รู้นะนกก็รู้อารมณ์บัญญัติเรื่องราวที่เราคิดขึ้นอารมณ์ชนิดที่สองคืออารมณ์ที่เป็นรูปประธรรมอารมณ์ชนิดที่สามอารมณ์ที่เป็นนามธรรมบางทีเรียกรวมกันไปอารมณ์รูปนามก็ได้มีอารมณ์บัญญัติอารมณ์รูปนามอารมณ์อีกชนิดหนึ่งอารมณ์นิพพานอารมณ์นิพพานนั้นพ้นจากรูปนามไปเจอนิพพาน แต่ไม่ใช่อยู่ๆก็จงใจพ้นจากรูปนามไปนะั้นจะไปบัรดาลแทนไปอยู่ในโลกของการชิดแทนไม่เห็นนิพพานหรือไม่ก็ไปปรุงนามที่ละเอียดขึ้นไปนามที่ละเอียดนะ พ, พวกอรูปฌานทั้งหลายเป็นนามที่ละเอียดไม่ใช่ลบหลดหลงแรงๆอย่างที่เคยรู้จักไม่ใช่สงบธรรมดาธรรมดานะ จิต ท, ที่เพ่งอยู่ในความว่างเป็นจิต ท, ที่เพ่งอยู่กับจิตเป็นจิต ท, ที่เพ่งความไม่มีอะไรเป็นจิต ท, ที่แทบจะไม่ทำงานนะแทบจะไม่ไปหมายอะไรอยู่เฉยๆแทบจะไม่ไปหมายรู้อะไรต่ออะไรถ้าใจไปติดนิ่งๆว่างๆนะต้องย้อนมาดูกายดูใจบ่อยๆนะออาต่อไปตรวจกันบ้านันอยู่วัดก่อน ค่ะเมื่อเช้าตื่นเร็วกว่าปกติวันก่อนนะคะเพราะว่าต้องมามีภาระทำความสะอาดกุฏิค่ะแล้วก็มีเวลาเดินจงกรมะค่ะแต่ว่าวันนี้รู้สึกมันมีอะไรทําแล้วมันจะโปร่งกว่าเมื่อวานะค่ะประคองอยู่ไหมตอนนี้ประคองไหมประคอตอนนี้สว่างหรือมัวยังไม่ค่อยสว่าง ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสาหลีกเลี่ยงคำว่ามัวก้ามัวค่ะมัวอยู่รู้อย่างที่เป็นเป็นกลางไหมไม่เป็นเออใช้ได้อเพราะค้ก็โยมก็ต่อไปก็จะเห็นหรือยังว่าช่างคุยอ่ะดูออกไหมก็จะบริกรรมให้ได้ทุกวันนะคะจะพยายามทําให้ต่อเนื่องให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะจะได้ลดไอ้ความฟุ้งซ่านแล้วก็ ไปได้ตุ่มน้ําที่มันรั่ว <S <S เอเอนะอยให้ <ลง S 2> ตุ่มรั่วนเนาะหลวงพ่ออีกหน่อยครัจุดอ่อนของโยมก็คืออยู่ที่ความฟุ้งซ่านกับไม่มีแรงแล้วมีอะไรเพิ่มคือถ้าฟุง้งแล<ะ>้วมันก็ไม่มีแรงแหละ<อ>นะง่ยแก้ที่ฟุ้งนั่นแหละบริกรรมไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปไม่งั้นอุตสาห ภ, ภาวนานะแต่เราไปฟุง้ง เ, เหมือนตุ่มรั่วเติมน้ำเท่าไหร่ไม่เต็มสักทีเหมือนๆจะเต็มแป๊บเดียวหายไปครึ่งตุ่มแล้วน่ะ แล้เราคลุกคลีน้อยๆนะไม่ยุ่งกับคนอื่นมากยุ่งเท่าที่จําเป็นนะตอนมานั่งหน้าหลวงพ่อค่ะก็จะกดแล้วก็เกรงอะค่ะก็เลยลองดูว่ามันจะกดไปได้ตลอดไหมก็คือพอเพอๆฟังหลวงพ่อค่ะมันก็เห็นว่ามันไม่กดแล้วก็กลับมากดใหม่ค่ ะ, ะเห็นไหมมันไม่กดเราไม่ได้เจตนามันหลุดออกไปเองเห็นไหมตอนมันกดเราก็ไม่ได้เจตนามันกดเอง ไปดูนะมันทําได้เองค่ะก็เห็นความอนิจจังของจิตเมื่อวานช่วงที่อยู่วัดมาตลอดก็รู้สึกมีความสุขจิตโปร่งเบาสบายแต่เช้าวันนี้พอตื่นขึ้นมาก็เริ่มเริ่มหนักๆเริ่มมีความกังวลอก็เริ่มคิดแผนงานต่อกลัวทําความสะอาดกุดไม่ทันตอนนี้ก็รู้สึกโมวหหน่อยอะค่ะไม่ทํำเอานะดีขึ้นเยอะแล้วขอบคุณค่ะ ใครจะส่งกันบ้านวันนี้คนไหนจําเป็นคนไหนจําเป็นให้คนจําเป็นก่อนนะแล้วหมดจากคนจําเป็นแล้วก็ค่อยคนอยากคุย <c oughs> ไม่มีคนจําเป็นเลยเชิญ <c oughs> กลับบ้านไป <c oughs> หมดกับจําจเป็นแนละ้วธรรมะจริงๆนะหลวงพ่อสอนละเอียดนะสอนละเอียดยิบเลยสงสัยขึ้นมา ไม่ต้องมาเจอหลวงพ่อสมมติไม่ได้เจอถ้าไม่ได้เจอหลวงพ่อสงสัยขึ้นมานะเอาซีดีหลวงพ่อมาสักแผ่นนะยกมือไหว้ทีแล้วก็ส่มดูนะมีทุกเรื่องแหละไหว้อะไรไม่ใช่ไหว้หลวงพ่อนะไหว้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมะของท่านไหว้ท่านหลวงพ่อยังไหว้ท่านวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งนะไหว้พระพุทธเจ้าดี อา้าวใครมาไกลๆบ้างแล้วอยากคุยเห็นไหมไม่จําเป็นแล้เพราะพวกจําเป็นไม่มีอันเบอร์สี่สิบห้ามาจากไหนจากไหนนะลําปางนะเละอ่ะไกลๆอ่ะว่าไปเลยเอ่ะคือส่งกันบ้านก่อนนะคะก็คือตอนนี้รู้สึกจิตใจเหมือนตอนที่ยังไม่ได้ปฏิบะะัติอะค่ะเรารู้ไหมเรารู้ไหมว่าจิต เ, เป็นยังไงรู้ค่ะนะ นักปฏิบัติที่ดีเนี่ยนะต้องจิตใจเหมือนคนที่ปฏิบัติไม่เป็นจิตใจของคนปฏิบัติไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่เฉยไม่นิ่งความต่างของคนปฏิบัติเป็นกับคนปฏิบัติไม่เป็นมีนิดเดียวคนปฏิบัติไม่เป็นเนี่ยจิตมันทํางานตามธรรมชาติแต่มันไม่รู้คนปฏิบัติเป็นนะจิตทํางานไปตามธรรมชาติเหมือนกับคนปฏิบัติไม่เป็นแต่รู้เห็นเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่ว นะถ้าปฏิบัติผิดเนี่ยไปเพ่งแข็งแข็งร่างกายแข็งแข็งจิตใจแข็งแข็งเห็นความอยากกูดไหมมีไหมมีค่ะอาว่าไปคือหนูอยากจะถามหลวงพ่อเรื่องการทําสมาธิค่ะอหนูเห็นว่าหนูเห็นสภาวะแต่หนูไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอะค่ะขออยากจะทราบว่าชาวโลกเขาเรียกว่าอะไรอะค่ะสภาวะอะไรอะอก็คือหนู เห็นสมาธิหนูทำประมาณสัก 3-4 มสี่ชนิดนะคะชนิดแรกก็คือเหมือนอารมณ์ปกติอะค่ะหนูเข้าใจว่าเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิอะค่ะอันที่2หนูเริ่มนั่งไปแล้วก็เริ่มมันไม่มันทิ้งร่างกายแล้วก็ทิ้งลมหายใจไปเหลือแค่เห็นเกิดดับแล้วก็มีความคิดอยู่แนบๆอยู่และอันที่สก็คือมันจะตัดความคิดแนบๆออกไป เห็นแต่อะไรก็ไม่รู้เกิดดับเกิดดับอยู่แค่เนี้ยค่ะแล้วพอมันถอยออกมาปุ๊บมันถึงจะมองไปเห็นว่าเบิกแยะจบลงไปแล้วอะค่ะแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งหนูสงสัยว่าหนูกําลังทําโมหะสมาธิหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจนะคะคือบางทีมันเหมือนแบบมันก็ทิ้งร่างกายไปก่อนแล้วก็ความคิดมันจะค่อยๆช้าลงไปเรื่อยๆเื่อยๆเรื่อยๆเหลืออยู่นิ่งๆแต่ค่ะแล้วบางทีเหมือนจิตมันทรงตัวอยู่นิ่งๆ อยู่นิ่งๆอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็บางครั้งมันก็จะไหลลงไปข้างนี้นะคะ่ะแล้วก็พอรู้ทันมันก็จะเหมือนตุกตาลมลุกแค่นี้แหละคะ่ะ ห, <น>หนูไม่รู้ว่าอันที่สี่ <c oughs> เป็นสมาธิที่ผิดหรือเปล่าคะไม่ผิดหรอกแต่ว่าพลังมันไม่พอเมื่กีก็ไหลแต่ไหลยังดีไม่ลงไปหลับอยู่ข้างในยังรู้ตัวก็ดีดขึ้นมาได้ <c oughs> ก็ใช้ไดนะ้อันที่สองเนี่ย จิตมันเดินวิปั ส, สนาอยูนะ่แต่ว่ามันสลับจากการคิดมันเห็นสภาวะแต่มันวกไปคิดเป็นระยะ ะ, ยะนะอันนี้ยังไม่ดีอันที่สามเลยดีเห็นสภาวะเกิดดับไปนะไม่คิดไม่นึกอะไรนั่นแหละเดินวิปั ส, สนาแท้ๆเลย <Okay. S 1> ส่วนอันที่สี่เป็นสมุท t ะอันที่หนึ่งอ่ะยังไม่ชัดเจนนะ บอกว่าอยู่ปกติอย่างนี้ไม่ใช่เหรอเหมือนเห็นเกิดดับแล้วก็มีอันที่หนึ่งเหเห็นเกิดดับไหมอันที่หนึ่งหนูจะดูลมหายใจอะค่ะแล้วมันก็จะทิ้งลมหายใจไปคิดสลับอย่างเนี้ยค่ะแล้วบางทีก็จะปุงอย่างเอออย่างนั้นรู้เป็นขณะขณะไปใช้ได้ใช้ได้ทั้งสี่แบบแหะอ๋อสี่แบบเลยนะคะขอบคุณค่ะหลวงพ่อคะขอให้คุณแม่ส่งกันบ้านบ้างได้ไหมคะอยาก่งไหม แม<อ>แ่เต็มใจจะส่งไหมหรือถูกบังคับบับงคับค่ะเรอย่าไปบังคับแม่นะบา <c oughs> น่าปนมาสการหลวงพ่อค่ะปฏิบัติพร้อมๆกับลูกเนี่ยนะคะแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะปฏิบัติถูกหรือเปล่าคะ่ะเห็นกิเลสไหมละ่ะเห็นค่ะถ้าเห็นกิเลสนะปฏิบัติดีนะอ <c oughs> กิเลสเกิดทั้งวันเลยนี่พอเห็นกิเลสแล้วให้เป็นกลาง ชอบเผล่ยาวด้วยค่ะอเออเผลอยาวไม่ดีนะมิธีแก้เผลอยาวนะต้องหาเครื่องอยู่ให้จิตไว้เช่นอยู่กับพุโทโธพอจิตทิ้งพุโทโธไปคิดเรื่องอื่นนะเรารู้ไว้วต่อไปพอจิตทิ้งพุโทโธเราก็รู้แล้วไม่เผลอยาวแล้วเวลาเดินจงกรมกับนั่งสมาธิไม่ทราบว่าทําถูกต้องหรือเปล่าคะนานเดินให้ดูสิต้องเดินนะมาถามอย่างนี้ยังนั่งอยู่แล้วบอกเดินถูกไม้มอ่ะ จะเดินไหมเดินออกมาเดินโชว์เองโอ้ใจถึงจริงๆเนี่ยเราเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวด้วยความรู้สึกตัวทุกก้าวที่เรารู้สึกตัวเรื่องเดินจงกรมตลอดแล้วรู้สึกไหมเราบังคับกายบังคับใจไหมยอย่าไปบังคับมันรู้สึกเฉยเฉยเดินไปสบายๆเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดู ใจหนีไปคิดเราก็รู้ทันเอานะ้าแปเชิญกลับไปไปเดินต่อที่บ้านได้ใช้ได้ใช้ได้แล้วลูกอ่ะไม่ไม่เดินลคะค่ะหนูเดินพอได้ลคะค <c oughs> ่ะอ้าต่อไปต่อไปมีไมมมีอีกไหมใครจะคุยยี่สิบสี่เชิญ กับการลงพ่อครับก็จะขอส่งการบ้านไม่ได้มาเกือบปีนะครับก็ที่ผ่านมาก็ไปปฏิบัติในรูปแบบเพิ่มขึ้นมีคนแนะนําว่านั่งขัดสมาธินี่ใน้ขัตสมาธิเพชรก็ลองดูอ ก, รก็รู้สึกว่าดีกับเหมาะกับตัวเองคือมันอเวทนาที่มันแรงกล้าที่ช่วยให้จิตไม่ค่อยส่งไปข้างนอกอก็อยู่กับลมหายใจครับกับ ความรู้สึกเจ็บเจ็บที่ขาอืควรจะปฏิบัติอย่างนี้ต่อครับที่ทําอยู่ใช้ได้นะครับแล้วก็ส่วนในชีวิตประจําวันเนี่ยก็มีความรู้สึกตัวขึ้นมาบ่อยขึ้นอืครับแต่ก็ถือว่ายังน้อยครับคือวันหนึ่งอาจจะสักห้าครั้งสิบครั้งประมาณนี้ครับก็คือจะรู้สึกห้าสิบครั้งต่อไม่ใช่ครับห้าครั้งหรือว่าอย่างมากก็ประมาณสักสิบครั้งอย่างเงี้ยครับต่อวันหนึ่งอ่ะต่อวันครับ ก็คือจะรู้สึกว่าจะรู้สึกลมหายใจเห็นตัวเองหายใจอแต่พอจะดูต่อมันก็จะไปบังคับไม่ค่อยรู้สึกอึดอัดออืก็เลยก็หยุดเบื้องต้นอาจจะต้องบังคับให้ก่อนนะดีกวลงเพ่งอยู่ดีกว่าหลงไปนะครับแล้วก็ใคอยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ขึ้นมานะใจมันเปลี่ยนแล้วคอยรู้ทัน คอรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจบ่อยๆเอาจิตมาเป็นวิหารธรรมเลยก็ยังได้ใครสังเกตความเปลี่ยนแปลงของจิตใจซึ่งมันเกิดอยู่ตลอดเวลาเพราะตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจมกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจคิดนึกความรู้สึกก็เปลี่ยนนะดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงดูเนืองเนืองดูบ่อยๆนะว่าห้าครั้งไม่พอครับนะ เอาให้ได้<ม>เลยนาทีหนึ่งอ่ะหลงให้ได้สักห้าหกครั้งนะดีที่สุดเลยครับอขอบพระคุณครับดีนะภาวนาได้ดีแต่ต้องรู้สึกบ่อยๆนะรู้สึกบ่อ ย, ยๆยิ่งถียิบเลยยิ่งดีส1มสบไม่ค่อยได้มาวัาดะครับหลวงพ่อทีนี้มีปัญหาว่าถ้าสมมติแบบในชีวิตปกติครับเมื่อสมัยก่อนคือเหมือนว่าถ้าเกิดมีสติขึ้นมาก็ จะรู้สึกว่ามีส ม, มนัตเกิดขึ้นใช่ไหมครับทีนี้พอไม่ได้มาวัดแบบหลายๆเดือนเนี้ยครับรู้สึกว่ามันสมณัตก็ไม่เกิดแต่ก็ยังรู้สึกว่ารู้สึกตัวอยู่ทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าความที่รู้สึกว่ารู้สึกตัวนะั้นมันรู้สึกตัวจริงๆหรือเปล่าะอะไรอย่างเงี้ยคือจิตที่รู้สึกตัวนะจะมีเวทนาสองอย่างมีส ม, มนัติกับอุเบกขาอุเวกขาต้องไม่แห้งแล้งนะอุเบกขาก็อุเบกขาสบายนุ่มนวลไม่แห้งแล้ง จิตมีโมหะไหมขณะนี้ยจิตขณะนี้มีโมหะครับบังคับอยู่ไหมก็บังคับอยู่ได้ครับ<ม>ทีนี้ถ้าเกิดติดประคองเนี่ยครับเหมือนแบบว่ามันออกมาอยู่ด้านบนเนี้ยครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ า, าจะกลับหมายถึงว่าจะทําให้มันเป็นปกติอย่างเงี้ยครับต้องกลับมาเริ่มยังไงอะครับเริ่มนับหนึ่งเลยนะตาปูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ถนะ้ความรู้สึกเปลี่ยนก็ค่อยรู้เ ถ้าเริ่มต้นได้การจงใจปฏิบัติมันจนิ่งๆไปไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยก็อยู่นิ่งๆไปเรื่อยๆนะเป็นปีๆก็อยู่นะไม่ดีหรอกออกมากระทบนะแล้วมันดีบ้างเลวบ้าง้ามีสติตามรู้ไปสุขบ้างทุกบ้างมีสติตามรู้ถ้าส่งอยู่อย่างนี้มีแต่อุเบกขาไม่มีปัญญาขึ้นมาก็ <c oughs> คือรู้สึกว่ามันเหมือนแบบนิ่งอยู่เฉยๆตลอด น, <c oughs> นิ่งอย่างนี้ <c oughs> อยู่ได้นานนะอยู่ได้เป็นกับๆเลย <c oughs> ครับปล่อยได้ปล่อย ลืมปฏิบัตินะตากระทบหูกระทบแล้วก็คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปนะให้มันทํางานอย่าให้มันนิ่งแต่ถ้ามันนิ่งจริงๆนะช่วยมันคิดพิจารณาเลยพิจรารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเย็นกระดูกพิจารณาไปทีละอย่างทีละอย่างนะผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะไม่สวยไม่งามแบบนี้แบบนี้อนะไรเป็นการกระตุ้นให้จิตมันเคลื่อนไหวนะและจิตไปจดจ่ออยู่กับผมเรารู้ทัน เสร็จแล้วก็ย้ายมาดูผมพอสมควรพออกพอใจมาดูขนคิ้วอะไรเงี้ยนะขนนี่รูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้นะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการกระตุ้นไม่ให้จิตมันติดเฉยนะออกมาคิดพิจารณากายอาการ32มสิองทำให้ไม่ติดเฉยนะแล้วก็พอคิดไปมันก็ฟุ้งขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาทําความสงบใหม่สงบแล้วก็ออกไปดูใหม่นะต่อไป จิตมันจะไม่ติดเฉยตาหูจมูกลิ่นกายใจกระทบอารมณ์แล้วมันจะไหวจิตมันจะไหวขึ้นมาแล้วก็ตามดูไปเมืร <20. S 3> ์ยี่สิบอาาหนูว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหนูเวลาถ้านอกจากทำงานนะคะก็จะกลับมาอยู่ที่อยู่ที่กายอยู่ที่ใจได้มากขึ้นนะคะหลวงพ่อแล้วก็หนูจะเรียนถามว่าสมมติว่าเวลาที่เรามี เราทํางานแล้วพอตอนเย็นใช่ไหมคะเราเลิกงานแล้วเนี่ยแล้วความคิดคือภาพหรือความคิดที่มันเกิดขึ้นในระหว่างวันมันผุดขึ้นมาใช่ไหมคะหลวงพ่อแล้วพอเราเห็นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันทุกข์ใช่ไหมคะแต่ว่าอารมณ์มันมันก็ยังไม่ยาวนะคะหลวงพ่อแต่มันเริ่มเริ่มแล้วเนี้ยมันเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วเราก็เห็นเห็นปุ๊บเราก็รู้สึกว่ามันทุกข์อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันดับแล้วมันก็มาอีกมาอีกมันก็เป็นหลายๆความคิดใช่ไหมหนูจะเรียนถามหลวงพ่อว่า ตรงนี้คือทุกในอริยศาสตร์หรืป่าคะหลวงพ่อตรงนี้มันยังก็เป็นเหมือนกันน ะ, ะดูไปอีกมีหลายชั้นหลายเชิงะแล้วแล้วเวลาที่เราเห็นทุกแบบนี้นะคะหลวงพ่อมันเหมือนกับมีความไม่พอใจไม่ชอบใจแฝงอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือหนูจะถามหลวงพ่อว่าหนูจะมีมุมมองหนูมองตรงนี้ถูกไหมแล้วก็หนูจะให้รู้ทันตรงที่โทสะที่แฝงใช่ค่ะให้รู้ทันไป ก็จะเห็นเลยจิตม <parfois> ันมีโทสะได้เองไม่ใช่เราหรอกเรื่องโทสะเนี่ยนูนูเห็นได้บ่อยๆเลยนะคะหลวงพ่อมันกระทั่งว่าเราจะไปหยิบไปจับอะไรแล้วมันไม่ทันใจเราเงี้ยค่ะหรือว่าเวลาเราจะพูดหรือว่าใครพูดอะไรกับเราแล้วเราก็รู้สึกขึ้นมาเนี่ยเราเราเห็นโทสะได้ได้บ่อยๆมากเลยค่ะหลวงพ่อิงเนี่ยนั้นเรงภาวนาเก่งนะใช่ได้แล้วก็เป็นกลางมันไม่เกลียดมันหอก คือมองมุมให้เป็นคือเราต้องมองมุมให้เป็นกลางคือเราต้องใช้ความเข้าใจเข้าไปช่วยหรือว่าไม่ต้องดูไปเรื่อยดูไปจนใจมันยอมมันเห็นเลยจิตจะมีโทสะก็ห้ามไม่ได้จิตมันเป็นไปเองมันไม่ใช่เราหรอกดูไปจนจิตมันเห็นอย่างนี้มันเป็นเองใช่หลวงพ่ออย่าไปคิดเอาค่ะถึงจุดนี้ไม่ต้องคิดะอย่างบางคนต้องคิดอย่างถ้าจิตไปติดเฉยนะ จิตเฉยอะไรเงี้ยต้องคิดแต่ตอนนี้จิตไม่ได้ติดเฉยไม่ต้องคิดเอาดูไปเลยคนละแบบกันงั้นบางคนนะไม่เข้าใจที่หลวงพ่อสอนไปฟังซีดีฟังอะไรอ่ะก็งงเดี๋ยวก็สอนให้คิดเดี๋ยวก็สอนให้ไม่คิดเอายังไงแน่พระองค์นี้พูดจากกลับกรอกแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่นะหนูหนูจะช่วงสงกรานหนูจะแบบว่า ได้ที่ที่จะเข้าไปภาวนาแล้วอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแนะนําให้ดูกายดูใจของเราอย่าไปคาดหวังว่าจะได้อะไรนะได้มีเวลาดูกายดูใจให้มากๆเท่านั้นแหละเจ้าค่ะเบอร์ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอยู่ข้างหน้าการร้อยสกานครับก็ช่วงนี้รู้สึกว่าไอ้ที่ถล่าลงไปรู้มันความรุนแรงมันลดลงอะครับแต่ว่า ตั้งมั่นมันก็มีแค่นิดๆหน่อยครับตอนนี้ก็มีประคองประคองไว้อยู่ครับรู้ทันอย่างนี้นะไม่ให้มันถลํมว่าพอละเงี้ยค่อยตั้งเองอะ่ะไม่ไม่ต้องมีอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นการฝึกให้รู้สึกตัวได้ถูกต้องนะให้ใจตั้งมัน่นปอใจตั้งมัน่นครานี้มีสติรู้รูป ร, รู้นามรู้รกายรู้ใจเห็นมันทำงานไปแต่แตรู้สบายๆรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานอยู่ เราฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยแล้วก็ดูขันมันทํางานไปเรื่อยดูด้วยจิตตั้งมั่นไม่ถลําลงไปดูแต่ก่อนมันชอบถลําไปดูใช่ไหมครับมนัดูออกแล้วใช่ไหมที่ถลําไปดูหัวทิ่มลงไปเลยเออแน่นแถูกตอนนี้มันเหมือนทิ่มแต่ไม่แรงเท่าเดิมเออนะดูไปเรื่อยนะมันชํานี้ชํานานนะต่อไปมันไม่ถลำหรอกมันจะเหมือนเรานั่งอยู่บนอัธจันดูฟุตบอลเลยไม่กระโดดลงไปครับดีขึ้นเยอะแล้วครับอ้าว <195. S 2> ร, ร้อยเก้าสิบหากรสกายหลวงพ่อค่ะว่ายังไงอยากถวายกันบ้านเพ่อนเองน่าว่าถวายมากพอดีช่วงที่เดินเดินจากเข้าออฟฟิศทำงานนะคะจากที่จอดรถนะคะก็ตอนที่เดินเนี่ยมันก็รู้ว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวอะคะ่ะสักพักหนึ่งอะมันเห็น การปรุงความคิดขึ้นมาค่ะอตอนที่เห็นการปรุงความคิดขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกที่ตามมาคือว่ามันไม่ใช่เราอเสร็จแล้วสักพักหนึ่งมันเกิดใช่เหรอแล้วมันก็เข้าไปดหูหนูว่าหนูยังไม่ได้ทํามาค่ะเออตอบถูกแล้วฉลาดเสร็จแล้วอีกสักพักหนึ่งมันไปดูอ่ะไม่ใช่เราอีกเข้าไปดูใหม่ไม่ใช่เราแต่พอดีถึงออฟฟิศมันก็เลยออกมา รับรู้ข้างนอกอะค่ะแต่ว่าตอนคือแต่มันมีอันหนึ่งที่ตามมาค่ะหลวงพ่อเวลาพูดอะไรก็ตามที่สปอร์ตอัตตาตัวตนของตัวเองอมันเกิดความละอายใจเยอะมากค่ะ ด, ดีมากเลยมันแต่ละประโยคที่พูดออกมามันจะมีความละอายใจเกิดเป็นระยะระยะนีะ่ไ ง, ง พ, พรมีสตินะสติก็เกิดทีริโอตปะเห็นไหย มีฮิริโอตปะก็จะมีศีลมีศีลก็มีสมาธิง่ายเพราะศีลเนี่ยใจมันเป็นปกติศีลนะขั้นละเอียดนะใจเป็นธรรมชาติธรรมดา้นะสมาธิเกิดง่ายมีสมาธิก็เดินปัญญานะงั้นมีสติก็มีฮิริโอต ป, ปะถูกแล้วละมันมีความรู้สึกเหมือนพูดแล้วไปข่มคนอื่นนะคะแล้วมันเกิดความไม่สบายใจตาม แต่ว่าในข้างในมันก็จะบอกว่าต่อไปนี้เราจะสํารวมระวังให้มากขึ้นดีดแต่ถ้าดูละเอียดนะจะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยซ่อนอัตตาไว้แทบทั้งนั้นเลย ค, ครูบาอาเคยเห็นนะตอนนั้ น, ปนไปเทศกรุงเทพอ่ะเราไปแวะฉันเข้าที่มอเตอร์เวย์ไม่งั้นไม่มีแรงเทศเหมือนกันเลย ค, ครูบาอาฉันเสร็จนะก็มีทิชชู่เช็ด เซร็จแล้วก็โยนลงถุงมีถุงก็แก้บใบไงนะไปทิ้งขยะทิ้งเขาเห็นนตอนที่เขาทิ้งทิชชู่เนี่ยมีเซลล์มีความเทศเนี้ยมันละเอียดขนาดนั้นเลยนะแค่จะทิ้งขยะกูยังเก่งเลย <c oughs> มันซ่อนอยู่แทบทุกเรื่องเลยนะแต่พูดจะทำจะอะไรคิดนะทุกสิ่งทุกอย่างมนะันซ่อนอัตตาไว้สิ่งที่เรากลัวที่สุดกนะ็คือตัวเราหายไป เรารักตัวเองที่สุดเมื่อพยายามย้ําว่าฉันยังอยู่ฉันยังอยู่นี่แหละคือฉันนะทําไมต้องใส่เสื้อผ้ามีแบรนด์เนมแพงๆมันก็พิสูจน์ว่าฉันยังอยู่นะฉันแน่ด้วยนะทําไมต้องขี่รถแพงๆรถถูกๆ ก, ก็ใช้ได้เพราะมันก็สนองอัตตาอีกนะทุกสิ่งทุกอย่างเยลยผู้มีสติมีปัญญาก็รู้ทัน ดูเห็นว่ามันเจะมีความรู้สึกอันนี้กูเก่งอะไรนั่นแหละกูเก่งแค่กูทิ้งขยะ ก, กูยังเก่งเลยนะลองไปดูนะมีเศษอาหารติดฟันแค่ฟันนะกูยังเก่งเลยออมันทําได้ทุกอย่างเลยเวลากูเก่งมากๆนะแล้วตัวพองนะผองน่าเกลียดพอเราเห็นเองนะรู้สึกน่าเกลียดรู้สึกน่าอายเตนดูรู้สึกว่า หนูมีพัฒนาการตลอเพราะว่าครั้งแรกที่หนูเข้าไปเห็นว่าไม่มีเหล่าเนี่ยมันตกใจค่ะเอครั้งที่สองที่เข้าไปรับรู้ว่าไม่มีเหล่าเนี่ยมันว้าวเวค่ะมันว้าวเวโงงเวงมันอ้าวหวังค่ะครั้งครั้งต่อมาที่มันมีความรู้สึกก็คือเหมือนตัวเองไปไปเห็นไปเห็นความสุขแล้วมัน มันของชั่วคราวมันเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็เหมือนเด็กเล่ล่อนผเนจรไม่มีพ่อไม่มีแม่ค่ะหลวงพ่อแต่หนนี้เขามันเห็นแล้วมันไม่ได้ตกใจไม่ได้อะไรแต่ว่ามันะอายเวลามันมีอัตตาเกิดดีแล้วไปฝึกนะเดี๋ยววันหนึ่งก็จะกลับบ้านไปเจอพ่อเจอแม่ไม่เป็นเด็กหลงทางหรอกจบยังอีกสองประโยคค่ะอ่ะมาไป ขอบคุณพระพุทธเจ้าค่ะแล้วน่ารักขอบคุณหลวงพ่อค่ะเออได้ต้องขอบคุณพระพุทธเจ้าก่อนเพราะความรู้ที่หลวงพ่อมาเล่าให้พวกเราฟังมาจากพระพุทธเจ้าต้นต่องั้นเราละเมิดลิขสิทธิ์ท่านไม่ได้จดสิทธิบัตรหรอกเอาไปจดได้ไหมธรรมะของพระพุทธเจ้าไปจดสิทธิบัตรได้ไหมอย่างสักวันหนึ่ง ใครเอาวิธีสอนหลวงพ่อเนี่ยปิดจดที่อเมริกาอะไรเงี้ยได้ไหแล้วห้ามหลวงพ่อสอนทาได้ปะไม่ได้เนะ mm hmm. าะเนี่ยต้องถามนักกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้ดีพวกหน้าด้านมันมีนะเดี่ยปิดจด <laughs> บอกของมันจริงธรรมะของพระพุทธเจ้านะแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์ของพระพุทธเจ้าส2สองเชิญ เรียนขนาดนี้กาลังดีนะเยอะๆไม่ได้เรื่องอย่างนี้ใครจะทำอะไรยุกยิกเห็นหมดเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยพูดให้เครียดเลยอย่างนั้นแหละอ้าวชิญ <c oughs> ช่วงนี้หลงบ่อยครับมีโมหะไหมก็มีครับมัวมัวไหมมัวมวครับโอ้ทำไงดี <c oughs> คือช่วงนี้ทำงานกับเวลาทำงานศิลปะแล้ว มันต้องใช้ความคิดเดยอะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงทำงานไปะนะเป็นวัยทำงานไม่ใช่เวลาที่จะว่างงานครับทำงา น, นดีแล้วละ่ะดีกว่าตกงานนะทำหน้าที่ไปเป็นคราวาสมีหน้าที่ทำงานนะหาเงินทำไปมีหน้าที่มีเงินใช้ด้วยนะมีหน้าที่ต้องไม่เป็นนี่นะจนะ ม, มีความสุขเป็นนี่ไม่มีความสุข มีงานทำมีไรายได้มีความสุขนะรู้จักใช้เงินมีความสุขมีไรายได้แล้วเก็บอย่างเดียวไม่มีความสุขรู้จักใช้เงินมีความสุขนะรู้จักคบคนดีๆนี่มีความสุกนั้นหะน้าที่ของฆราวาสยังต้องทำมาหากิน้็ทำไปแต่ว่าเรารู้ว่าอะไรเป็นหน้าที่หลักอะไรเป็นหน้าที่รองหน้าที่หลักของเราคือยกระดับจิตวิ ญ, ญญาณเราไปสู่ความพ้นทุกขนะ์แต่เรายังต้องอาศัยโลกอยู่ต้องทามาหากินอยู่ ก็ทำงานไปไม่โกงเขาไม่โกงโลกไม่เป็นหนี้ใครทำงานทำงานแล้วก็เรียนรู้ตัวเองไปเวลาที่ไม่ได้ทำงานที่ต้องคิดเนี่ยเป็นเวลาแห่งการพัฒนาตนเองทั้งนั้นเลยมีเยอะนะเวลาส่วนใหญ่เราทางานแล้วเราก็บอกว่าเวลาที่เหลือเนี่ยขอให้รางวัลแก่ชีวิตด้วยการทะเลถลายใครเคยให้รางวัลแก่ชีวิตด้วยการกินเหล้ามัางมีไหมมีอะพูหรอ ม่น่าลนะ่ะตัวสูงเป็นปวดเล่าเลย <c oughs> บางคนก็ให้รางวัลกับชีวิตด้วยการไปฟังเพลงนะ <c oughs> ฟังเพลงคลาสสิกเราไม่ค่อยให้เวลาให้รางวัลกับชีวิตด้วยกันภาวนานะจ่เวลาที่เหลือภาวนาไปเวลาทำงานทำงานไปนะไม่เสียหายหรอกสี่สิบแปด นมาสการค่ะช่วงนี้รู้สึกจะเป็นสภาวะที่หลวงพ่อบอกคือติดลุลง่งโล่งโปร่งแล้วก็ไม่ย้อนกลับมาค่ะอแล้วก็ติดสุขวุ่นวายกับเรื่องทางโลกเยอะค่ะอค่ะก็อยากให้หล <พอ S 2> ่อทมทติดสุขแล้วไปวุ่นวายกับโลกอะ่ะมันมันเฉยเฉยเออเฉยเฉยแล้วก็ยุ่งกับเรื่องในครอบครัววุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่างนั้นคงไม่ได้ติดสุขหรอกคงเนื่อยเหนื่ยเมากกว่าแล้วอยากให้หลวงพ่อให้กันบ้านนะคะ ก็แบ่งเวลามานะทุกวันภาวนาทําในรูปแบบอน ะ, ะไม่มี ว, วินัยไว้แล้วก็จะมีสภาวะหนึ่งนะคะอยากถามหลวงพ่อคือช่วงจังหวะที่เอาคุณพ่อไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะหมอกําลังจะอธิบายถึงโรคที่คุณพ่อเป็นขณะที่นั่งฟังรู้ตัวเองว่ากําลังจะกดเพราะว่ากดตัวเองอยู่เพื่อว่ากลัวจะรับเรื่องไม่ได้อะไรเงี้ยก็นั่งอยู่แล้วคุณหมอก็เล่ามาพูดมาอะไรเงี้ยค่ะ พอพูดมาก็จะเห็นเป็นช่องค่ะของพ่อจะเห็นช่องหนึ่งเหมือนแบบเรายินดีอีกช่องหนึ่งตกใจอีกช่องหนึ่งโกกต์เป็นเป็นช่องๆค่ะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่งดูไปเหมือนคนบ้าค่ะอื<ๆ>ก็นั่งนึกในใจว่าเอ๊ะเมื่อกี้เราเป็นอะไรเหมือนคนบ้าอะไรเงี้ยมันสลับกันนะคะมปนช่องๆก็เลยก็เลยไม่ทราบว่าแต่ละอันไม่ใช่ต่อกันค่ะนั่นแหละสันญตีมันขาดอ๋อค่ะ ก็จะเห็นว่าตัวเองก็ทําหน้าตามตามสภาวะช่องคือหน้ามันก็จะแบบมันไปทางนี้แล้วก็ช่องมันก็เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็จะเห็นรู้สึก <ừ> แล้วก็พอนอกจากนั้นหลังพอมารวมกันจริงๆแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวเองกดกดตัวเองกระทั่งที่เดินขึ้นไปหาพ่อข้างบน <ừ> อะไรเงี้ย <ừ> กดเหมือนไม่มีวิญ ญ, ญาณออกดเดินไป้ะไปเงี้ยดีแล้วรู้รทันตัวเองดีแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เละค่ะไม่ไม่ทําไ ม, เ, าไมเละซะแล้ว เพราะว่าก็เริ่มจะใจกังวลไปคิดแทนพ่อไป อ, อะไรอย่างนี้ค่ะดูไปเลยสินะจะได้ไม่เสียเวลาถึงเรากังวลพ่อก็ไม่หายป่วยค่ะแต่เรา<ๆ>เราจะป่วยอีกคนนึงนะแล้วก็มีอีกสภาวะหนึ่งค่ะคือสวดมนต์อยู่แล้วนัสมาธิแล้วดูเวทนาอยู่แลค่ะแล้วทีนี้ยังไงก็นึกกังวลว่าเดี๋ยวต้องไปหาข้าวให้เขาอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยลุกออกจากสมาธิแล้วลืมว่าตัวเองไม่ได้รู้สึกเป็นเน็บชาขาก็เลย ก้าออกไปแล้วมันล้มลงไปแล้วค่ะ<ม>เพราะว่าขาข้างนึงมันคงเป็นเน็บชา<ม>แล้วก็ตกใจแล้วตอนตกใจนะคะก็เห็นความปวดวิ่งเข้ามาในใจ<ม>พอวิ่งเสร็จแล้วเราก็นึก ใ, ใจว่าเอ้ามันมารวมพอมารวมนะคะก็จะเห็นไอความว่าเวทนาเนี่ยมันเป็นเหมือนหมหอกอะค่ะพ<ม>่อมันไปอยู่ข้างๆแล้วตูก่ก็ก็ยืนมองมันอยู่ว่าก็นึกถึงหลพ่อที่ว่าแยกรูปแยกนามนะคะ่ะแล้วเสร็จแล้ว แล้วเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ๆเนี่ยไอ้หมอกอันเนี้ยมันจะวิ่งมันจะเข้ากระเถิบเข้ามาใกล้พอมันกระชิดขาเราใจเราก็ปี๊ดขึ้นมาแบบปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไล่มันก็ถอยออกไปอย่างเงี้ยค่ะก็ดูสักพักหนึ่งแล้วก็ใจมันก็ไปกังวลเรื่องอื่มก็หลุดแล้วก็ออกไปเลยค่ะของคุณพยายามดูให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะเคยเก็ add, เกดูดูดูแล้วจะกระโดดทิ้งไปเป็นช่วงๆเลยอย่าไปทิ้งมันพยายามดูให้ต่อไปเรื่อยๆ คือหมายถึงว่าถ้าเป็นสภาวะนี้เราก็จดจ่ออยู่ตรงนั้นไปเลยอย่างนี้หรือคือไม่ไม่ใช่จดจ่อแบบถล่มไปรู้นะรูะส้สบายๆแต่ไม่เลิอกอ่ะไม่ใช่ทิ้งการรู้สภาวะไปค่ะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่อะบางทีนอนๆ อ, อยู่เงี้ยค่ะก็เห็นร่างกายมันนอนอยู่แล้วก็เรารู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วตู่ก็จะลุกเลยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนอยู่างเงี้ยไม่มันเลิกดูไปเลยไม่ดีจยดูไปเรื่อยๆนะขอบคุณค่ะเนี่ยเราภาวนาเป็นก็สบายหน่อยวันเนี้ย อาจารย์สุรพลมาเล่าให้ฟังไปตรวจเจ็บคอนะหมอมาคลำคลำหมอเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งทําเอาอาจารย์ตกใจนิดหน่อยก็ดู <laughs> ดูหมอตรวจคนเป็นมะเร็งนเนี่ยคลาแค่นี้บอกว่าเป็นมะเร็งดูหน้าตีไหม่หมออย่างเนี้ยกว่าไม่ได้เป็นหรอกเป็นโรคเจ็บคอ <laughs> เนี่ยถ้าเราที่ตกใจนะช็อกไปเลยใครจะว่า ใครรับผิดชอบอ่ะเนาะบอกอยู่บอกว่าเป็นมะเร็งอ้าว่าไปเบอร์เก้านักการศึกาค่ะพ่อวันนี้หนูขอถามหุวพ่อสองข้อนะคะ เ, เรื่องเกิดจากสึนามิที่เกิดขึ้นนะคะหนูเห็นภาพสึนามิครั้งแรกมันเป็นภาพทะเลกว้างๆแล้วก็โกยขยะเข้ามาเยอะๆอะคะ่ะหนูก็ถามน้าหนูว่าขยะที่ไหนเยอะจัง เขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นซูนามิพอหนูได้ยินหนูก็ขนลุกอะค่ะเ<ม>พราะเป็นซูนามิมันไม่ใช่ขยะมันก็น่ากลัวใช่ไหมคะมสักพักหนึ่งภาพมันก็จะเป็นรถที่มันลอยเท้งเทงมาเยอะอะค่ะอื<ม>ใจหนูก็คิดว่าในรถมีคนหรือเปล่าแล้วหนูก็คิดไปเองว่าถ้าหนูอยู่ในรถอ่ะหนูควรจะออกจากรถหรือควรจะอยู่ในรถแล้วเหมือนกับว่าหนูจะหาวิธีตายอะค่ะว่า ถ้าอยู่ในรถหนูอาจจะตายได้พอหนูคิดว่าแท้หนูออกมานอกรถมันก็ต้องตายเพราะมันเป็นสูนามิอืแล้วหนูก็คิดหนูจะตายแบบไหนแล้วหนูก็เห็นว่าหนูอ่าสับสนอแล้วหนูก็กลัวด้วยแล้วหนูก็รู้สึกว่าแท้ตายตอนนี้ตกนรกแน่เลยอืมแล้วเหมือนกับว่าหนูยังหาวิธีตายไม่ได้เพราะว่าโอกาสที่จะตายแบบนี้ตอนนี้มันมีไงคะอืแล้วไม่รู้จะตายยังไงอะคะหลวงพ่อเดี๋ยวมันตายเองแหละ เราเนี่อยู่ให้เป็นกันแล้วกันแต่ถ้ามันเกิดอาการสรับสนแล้วก็กลัวหนูก็ต้องตกนรกใช่ไหมคะฝึกของเราทุกวันนะดูจิตดูใจไปถึงคราวขับขันจวนตัวเองนะจิตทํางานเองนะถ้าฝึกเจริญสติไปเรื่อยๆน ะ, ะอุบัติเหตุหรืออะไรเกิดขึ้นนะจิตจะดีดผางออกมาทํางานเองเลยตายก็ตายอย่างเท่ๆค่ะล็ ข่าวอย่างเงี้ยมันซ้ํากันหลายวันมากเลยแต่หนูก็ไม่ได้รู้สึกเลยไปดูแค่โทรทัศน์หลอกเหรอนื่องว่าไปเห็นจริงๆริงคือหนูเห็นที่ว่าข่าวจากซูนามิครั้งแรกหนูมีอาการอย่างนั้นนะคะแล้วหนูก็รู้ว่าหนูยังไม่รู้จะตายแบบไหนนะค่ะคิดว่าตัวเองยังตายตายไม่ถูกเอออยู่ให้เป็นน่ะเราก็ตายเป็นเองแหละ <laughs> แล้วพออีกวันนึงอะค่ะมันผ่านมาตั้งหลายวันแล้วไอ้ภาพเนี้ยทีวีก็ชอบออกซ้ำไอ้ภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้ อ, อยู่อย่างเงี้ยค่ะ วันนั้ น, น ม, มันก็เกิดทีเดียวอ่ะก็ต้องออกหลายทีใช่ค่ะคือหนูจะเห็นภาพนี้ซ้ําตลอดอทุกช่องทุกรายการเขาก็จะแล้วก็ภาพเดิมมาค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วดูมันทําไมอ่ะ <c oughs> ก็หนูไเปิดมามันก็ต้องเจอค่ะหลวงพ่อ <c oughs> เสร็จแล้วมีอยู่เช้าวันหนึ่งหนูตื่นแต่เช้าออกมาเลยหนูก็กดทีวีแต่หนูไม่ได้คิดว่าหนูจะเจอภาพนั้นหนูคิดว่าอะไรก็ได้ที่มันสบายใจพอกดมาถึงมันก็อีภาพเดิมภาพแรกแต่ เที่ยวนี้หนูไม่ได้เปิดเสียงในทีวีอะค่ะมันเป็นภาพเดิมที่หนูเห็นครั้งแรกอืทีนี้ใจหนูมันสะเทือนอะค่ะแล้วหนูก็ร้องไห้อหนูก็เห็นว่าใจอะมันสะเทือนแล้วมันก็ร้องไห้แล้วมันก็หยุดกึกไปเลยเพราะเราเห็นมันพอมันกึกไปมันก็มันก็ว่ามันพอมันหายไปหมดทั้งสองอย่างหนูก็ใครวะอคือตะกี้นี้ที่ใครมันสะเทือนใจแล้วใครมันร้องไห้หนูก็จะหาตัวหนู <Ừ. S 2> หนูก็หาไม่เจอไม่มีหรอกพอหาไม่เจอหนูเห็นมันกลวงๆเหมือนกับมันมันบอกไม่ถูกว่ามันเป็นอะไรเสร็จแล้วหนูก็เลยดูดูกลับมาไอตัวที่มันดูอยู่มันก็เบาๆหนูก็หามันมันก็เป็นโพล์ข้างในมันก็เป็นโพลเหมือนกับว่าไอ้ฝั่งนี้ก็กลวงๆไอ้ฝั่งนี้ก็กงโกแบบแล้วหนูก็เหมือนแล้วหนูอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไ ม, ไม่มีไม่ต้องไปหาที่พลาดนะก็เพราะไปหานั่นแหละ รู้อยู่เฉยๆไม่สแสวงหานะบางทีได้ของดีเลยนะแล้วมันถามด้วยว่าจะยึดอะไรอืมมันยังอยากยึดอยู่แล้วหนูก็ไม่รู้จะตอบมันว่าเราต้องยึดอะไรค่ะอืมไม่ต้องไปตอบมันหรอกนะมีสติบ่อยๆไปแล้วจิตมันพัฒนาของมันเองเสร็จแล้วหนูก็หนีแล้วว่า ก็เหมือนกับมันก็กดไปเรื่อยๆเลยไปจนถึงช่องสามสิบกว่าทีนี้มันก็เห็นคนที่เขาเอาปืนยิงเด็กยิงคนอย่างเงี้ยค่ะทีวีหนูก็ไม่ได้เปิดเสียงอยู่ดีอะค่ะพอเห็นภาพหนูได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อเอ๊ะหนูก็พยายามจะฟังว่ามันเสียงอะไรกลายเป็นว่าหนูว่าอกหนูมันสั่นแล้วเหมือนกับคอหนูก็สั่นอ้อยเสียงที่หนูได้ยินงื้อเงๆๆอเงเป็นเสียงหนูสะอื้นอื อย่าไปดูมันิเลิกดูซะแล้วมาดูจิตตัวเองไปเรื่อยไปดูมันทําไมล่ะสเสื้ค่ะหนูถือว่าแท้าตายอย่างนี้หนูก็ยังแย่อยู่เพราะกลายเป็นว่าหนูไม่รู้จะตายยังไงเลยค่ะคงอย่างนั้นแหละต้องอยู่ให้เป็นก่อนถึงจะตายเป็นนะอยู่กับความมีสติไหมมีสติดูกายดูใจมันทำงานเรื่อยๆถึงเวลามันจะตายนะจิตมันทํางานของมันเองเนละไม่พลาดท่าหรอก ที่ภาวนาอยู่ใน่ใช้ได้เลยภาวนาบ่อยๆแล้วมันจะหาว่าหนูจะยึดอะไรอะคะ่ะไม่มีอะไรๆก็ยึดไม่ได้ที่สำคัญนะจิตเราไม่ฉลาดถ้าจิตฉลาดจิตจะรู้ว่าถ้ายึดเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อ น, นั้นเห็นไหมกลับอยากยึดอยากหาที่ยึดที่เหนียวเพราะอะไรเพราะมันรักตัวเองมันกลัวว่าถ้าไม่มีอะไรยึดเลยนะเราจะร่วงหายไปในความว่างใช่นะ มีคำภีร์ของมหายานอันหนึ่งนะเขาสอนดีนะเขาบอกว่าถ้าไม่มือหนึ่งไม่ยึดรูปนะก็มืออีกมือหนึ่งต้องไปยึดนามไว้ต้องมีอะไรยึดไว้เพราะกลัวจะหล่นลงไปในความว่างกลัวตัวเราหายไปเพราะว่ารักตัวเองที่สุดเลยดังนั้นต้องภาวนาอีกนะพอเลิกรักตัวเองไม่กลัวตัวเองหายไปหรอกเพราะตัวเองไม่มีเมื่อเรามันไม่มีอยู่แล้วมันจะหายได้ไหมมันไม่มีมันก็ไม่หายสิแต่ของถ้ามันมีมันก็หายได้ ไปพาวนาอีกอยังพาวนาไม่พ อ, ข, พ ข, อขอบคุณการนึกว่าไปเจอสึอนามิมาต่ อ, อย่างหลวงพ่อนี่ไม่เคยเห็นรูปกับเขาหรอกเห็นแต่นกเห็นแต่หมาแมวเห็นสัตว์ในวัดนราไม่ได้ดูทีวีสบายไม่มีหนังสือพิมพ์ดูด้วยสบายนะเวลาไปข้างนอกนะที่ต้องไปฉันเข้าร้านข้าวแกงริมถนนเขาเปิดทีวีนะ เห็นแต่ทุกข์อ่ะเห็นเนี่คนมันหลงอะไรกันอย่างนี้ว่ามันมีแต่ทุกข์เท่านั้นเลยบ้าๆเท่านั้นเลยบางทีเมื่อวานเมื่อวานซืนมั้งไปเทศโรงบันตํารวจนะเห็นออกทีวีนัเขียนหน้ายังดีไม่เอาถาดตีหัวกันแบบโบราณนนสนุกยังไงวะตะโกนกันโวกโวกวักวนะเห็นจะสนุกเลยขาดสติดูไปนะมีแต่ทุกข์นะมีแต่กิเลสในโทรทัศน์อ่ะ ในหนังสือพิมพ์ก็หาที่ส่งเสริมธรรมะแทบไม่ได้เหมือนกันนั่งรถมาจากกรุงเทพมาทางมอเตอร์เวย์ทางเลยนะคัดเอาใหญ่หญๆก็มีแต่เรื่องส่งเสริมกิเลสไม่เห็นมีสักอันเลยว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง <c oughs> ไม่มีสักอันเลย <c oughs> เราจะไปทําเองก็คงหลายตันค ง, <c oughs> งไม่มีใครดูอีกต้องหารูปอะไรโป๊โปๆไปใส่ใช่ไหม พั้คนมันก็ไม่ดูอีกรู้สึกดูมากก็เท่านั้นเลยกิเลส ท, ทั้งนั้นเ่ยไปดูมันเลยเปลืองไฟเอากลับบ้านได้หมดเวลาไม่หมดเราเวลาเหลืออีกหน่อยนะแต่ว่าพวกเราไม่มีคำถามแนละ้ว